เดิมเน้นนมีเสียงแล้วเบิ่มบิบิบ่มอ่ะทำกว่าแล้วตอนนี้สินสุดท้ายของปีนี้เป็นสินใหญ่บาตรโมก การวาจะจวมก็มาทบทวนสินกันพระสององค์เนียนะก็ทบทวนสินเหมือนกันใ น, นปฏิโมกก็คือฟังจริงๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรอกมันสองร้อยข้อเบื่องของปริยัต ส่วนในภาคปฏิบัติก็อย่างที่เราต้องทำกันก็ต้องไปกังวลว่าใครจะมีสินมากสินน้อยใครวาจาสงบมันเป็นทันทีที่มันไม่สงบทุกวันครับเหตุปัจจัยมันมีตอนเช้า เราพเยกับเรื่องนี้สองสามเรื่องสรุปให้ฟังนี้กเรื่องปัจจัยภายนอกคำว่าปัจจัยก็คืออาศัยต่อเนื่องได้ลงมาน่อยก็คือตัวเราพยายามกัดลึกเข้าไปอในใจเรียกว่าหยาบกลางละเอียด ข้างนอกตัวอยากตอนที่เ ข, า, ขาเราเ อ, อาควรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไปไว้ข้างนอกไปฝากความหวังไว้กับคนนั้นคนนี้คนโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝากไว้กับตาหูจมูกปลี่นกายอันนี้ก็เรื่องอยากสุดท้ายก็เรารู้ไม่ทันสิ่งตรง น, นี้รู้ไม่ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ไม่ทันสิ่งที่มันเป็นพันสัต คึอมานกระทบเกิดเวทนาเวทนาเกิดเกิดตัณหาตัณหาเกิด็ อ, อุปาทานเกิดยึดนั่นหนึ่งคือเป็นที่มาของภพชาติของพวกเราขั้นตอนกระบวนการของมันในหลักกงรปฏิจจสมปุปบาทแล้วก็กล่าวรายละเอียดอย่างนี้เนีย่ยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ เรากาเข่าวง่ายๆก็ประมาณนี้สุดท้ายก็มาจบที่ตนาอุปทานก็พบเราก็คล่องอยู่ในพบก็คือการมาพบรูปพบอารมณพบมีแค่นี้ในสมัยใต้ภูมิพระร่วงก็พยายามที่จะเขียนอธิบายแบนี้ t r i ก็คือสามภูมิก็คือชั้นก็คือพบทั้งสามนั่นแหละเป็นภาษาเราที่บางวกรรมอบเป็นยังไงรูปพบอบออรูปอบอบปกง่ายๆก็กรรมอบบก็พูดที่างบริบทกรรมทั้งหลายเนี่ยมีทั้งคนมีทั้งมนุษย์มีทั้งสัตว์มีเยอะแยะกันไปเราจะเป็นรูป ที่สางรูปอยู่สร้ารูอยู่อันนั้นคือสวรรค์รูปผมรูปประชานกับรูปประชานคนง่ายกันของพวกนี้ผู้ฤๅษีชีพายเขาก็ทําได้ชานผู้ยังเราทําได้ทั้งเป็นคารวะญาณโยมโยสมาปฏิเ ป, ปรตก็สอนกันได้ทั้นของพวกนี้มันมีมาเป็นพันปีมาแล้ว แล้วจิตอยู่ได้เพราะพวกนี้มีพวกนี้เป็นอาหารแต่ผักษ า, าหารานแต่พระพรก็อยู่ได้เพราะพิติมีพิติเป็นอาหารมีแสงสว่างมปนเครึ่องอยู่อันนี้คือพรหมครับและจุดกําเนิดของมนุษย์อันนี้ทางพุทธศาสนาตําราเขาว่อย่างนี้น พวกเราก็เป็นลูกหลานของพรมพมได้ชื่อว่าอภัชราพรมอภัชราพรมแปลว่าพรมที่มีรัศมีคือในตัวเองมีรัศมีเป็นออกซึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีโลกอันตำลานะตำลาก็อาไว้ก็เยแสงสว่างแต่ละคนแสงสว่างไม่เท่ากันคือรัศมีในกายออกจากกายไม่เท่ากัน จะไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่มีเดือนไม่มีตะวันใดๆทั้งสิ้นไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีวันไม่มีเวลาขาใช้แสงกายอสัตวแปลว่าแดสานสั้นการศมีคืออสีออกจากาจร่างจันร์อวสระวูอันนี้ก็มีพิติเป็นอาหารคือดดอยู่ได้เพราะพิเตพูดงานไม่ได้กินอะไรมือพวกเรา บริโภคมาใ้ชั้นของเราถืว่าอยากอยากมากๆ ม, ก, มก็ยังกินชาละพัดยังกินสิงสารสัตว์มาถึงพวกเราถ้าเพิจาจนาดูแลก็ถึงว็อยากถ้าภาษาเราเรีไงกับมูอบ้ากาไก่กุ้งหอยปูปลาอันนี้คือบทลอกไปแล้ว แต่ของเขาม่มนมีคือองค์ของฌานนั่นแหละพ่ดง่ายถ้าใครจำอารมณ์ของฌานได้ก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกะกาตตานี่คืออารมณ์ของฌานถ้าใครฝึกไปฝึกมาถอยหลังไปถอยหลังมาคือรได้เอกขตารมณ์คืออารมณ์อันเดียวไรก็ม่แล้วเขาก็คือในองค์นี้ทำไมเข้าไปอยู่ได้แค่ เพราะไปติดชานยังไม่เกิดปัญญาแต่ติดโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าติดก็คือมันสบายมันเหมือนไม่มีอะไรแล้วมันว่างๆมันเฉยๆมันอิ่มไปติเองคือความอิ่มมันอิ่มอกอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาก็อยู่ได้เทวดาเขาก็าเช่นเดียวกันเขาแค่ นึกขึ้นมาพ อ, อสำเร็จแล้วก็ประอาหารหรืออื่นๆเช่นเดียวกันแค่ไปไหนค่อธิฐานคือตั้งใจจิตเคลื่อนออกมันก็เหมือนกับหอ่อมันก็จะเคลื่อนไปภาษาวิสัร์ก็จะเป็นพลังงานแต่ก็ยังยึดรูปแล้วก็อารมบนั้นอยู่รูปริยนั่นแหะ ใจนั่งอยู่ น, นี่คือองค์ของฌานส่วนใจก็บาจาเราทั้งนหมดถ้าว่าเพื่อเปิติพักเป็ิติพักของจิตทําให้จิตมีกํำลังแต่มันไม่เกิดปัญญาจะหวังให้มันเกิดปัญญาเพื่อรู้แจ้งจริงๆตามความเป็นจริงมันไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนสีขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อันหนึ่งก็คือรู้ เป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องรู้คือกำหนดรู้คือ ค, คือตัวทุกข์กันมันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีทุกข์ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์เพราะอะไรไม่รู้ว่าการเกิดแล้มันเป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายมันเป็นทุกข์ไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดใ น, นวัฏสงสารนี่เป็นทุกข์ทุกข์มาจากไหนไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ก็ออยุบด้วยความหลงเออมโหหะมันตัวแรกก็ไม่ผ่าน ตัวที่สองคือเมื่อมันไม่รู้ก็มมนรู้จะเป็นละอะไรคือตัวตันหามันไม่รู้จะเป็นละอะไรเพราะมันบอกไม่มีอะไรมันอยู่เฉยๆบางๆก็เหมือนกับคนผู้นี้คือมันสติมันอ่อนมันไม่มีเหมือนบนโลกบนโลกของพวกเราโลกโลกของเรามันมีหมดทุกอย่างเกิดแก่เจ็บตายเราเห็นหมด เกิดคุณแก่คนเจ็คนตายหรือความเกิดความแก่ความจ็ความตายหรือสัตว์เดรัจฉานทุกอย่าลงลำบากเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านช่องห้องหอการอยู่กันกินพกเราก็เห็นหมดแต่ว่าเราไม่ได้สนุกสะเทือไม่ได้ทํทาธรรมสังเวชธรรมสังเวชไม่เกิดขึ้นแต่มันเออเห็นไก่เห็นเป็ดเห็นกบเห็นเขียดเห็นสักแต่ว่าเห็นไปงั้นนะเออรั้วกบรู้วเขียดจริ ง, รงๆแล้วถ้า จิตของเราวางอย่างนั้นได้จริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆหมายก็จิตขอเราสุดท้ายจริงๆอะเห็ตุพบกกระวางได้เลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่เราก็วางไม่ได้ความเจ้าเขาเจตที่ฝึกเจอแล้วเขาเป็นอย่างนั้นแต่มันวางไม่ได้มันวางอารมณ์นั้นไม่ได้มันเกิด อย่างอะไรอวรนในอารมณ์นั้นจิตมันวางสภาวะอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกว่าละไม่ได้ก็คือตัญหานั้นเนี่มือละไม่ได้ทําให้แจ้งกองส่วนนี้มันก็ไม่มีที่จะทําให้แจ้งคือรู้รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงมันไม่มีดังนั้นจิตเจริญมันก็ไม่เกิดคาว่าเจริญมันก็ไม่เกิด สีข้อนี้มันก็ไปเกิดกับสภาวะจิตใจหรือบุคลของพวกเราทีนี้เรามาเปรียบให้พวกเราให้ชัดๆว่าอริยสัสสี่ที่พรูเจ้าตรัสเอาไวนะ้มันลึกซับซ้อนจนไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัเองหรือยกตัวอย่างในชีวิตประจำวับบนของพวกเราถ้าเราไม่เข้าใจหลักการหรือวิธีคิด ก็ยากที่จะเข้าใจในหลักการอันนี้ช่วงนี้พระเนี่ก็กำลังจะสอบกันเนี่ยน้อยกำลังดูหนังสือดูหรือเปล่าก็ไม่รู้อันที่เก้าสามสิบหนึ่งสองาสอบกันสี่วันเวลาวิชาทำไมตัวเบอกว่าพูดถึงการสอบ กำลังแก้เรียองที่ให้ฟังว่าอะไรเสียสตถ้าเอามาแช่กับการสอบมันจะเป็นยังไงเอาสมมติว่าแน่นน้อยอ้อมพิรลาดก็ได้เดี๋ยวเห็นแน่นน้อยมันจะน้อยใจทําไมต้องเป็นแน่นน้อยตลอดเอาเป็นพลาดก็ได้สมมติมีาการสอบขึ้นเสร็จแล้วปรากฏว่าสอบไม่ผ่านตาตารงงานก็คือตกนั่นแหละ นเนี่ยคือทุกขะอันนี้ตุกุขะนะประกาศผลออกมาแล้วนักทำดีไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านทุกนะมันก็เป็นทุกินะ่แล้วมันเกี่ยวกับอริยสัจสี่ยังไงมันก็ต้องมาดูว่าทุกนั่นมันเป็นผลนะเป็นผล ห, หมายคือว่า ที่เราสอบตกมาเพราะอะไรมันต้องมีเหตุของมันหนึ่งอ่านหนังสือไม่พอไม่มีความเข้าใจอ่านหนังสือน้อยหรือขยันน้อยนั่นคือเหตุหรือไม่อ่านหนังสือเลยนั่นคือเหตุผลออกมาตื่ตกมาตืึงสอบตกจะแก้ตรงไหน เราจะแก้ตรงผลเราแก้ตรงเหตุก็ไปแก้ที่เหตุแก้ที่เหตุคือต้องขยาาันอ่านหนังสือดูสื้อเยอะโดยมตำราได้เยอะเพิ่มมาเยอะไปสอบใหม่มันก็ผ่านพอผ่านเสร็จนิโรธะมันคือดับสิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันดับเกินผ่านเหตุที่ดับคือพระอลลาหอานหนังสือคือนิโรธะเนี่ยเออ เราเริ่มเข้าใจแล้วแอ่ที่เราสอบตกก็เพราะเราไม่อ่านหนังสือนี่เหรืออ่านน้อยหรือไม่อ่านเลยคือนิโรธะอันนี้คือมันกระดับอันดับชั่วคราวนะไอ้ตัวนี้มันก็กลายเป็นผลจากเดิมที่อ่านหนังสือคือเหตุผลว่าอ่านหนังสือเยอะสอบได้คือผ่านคือนี้รอดคือดับความผิดตกข้างบนที่เป็นทุกข์เดิมมันก็ดับมันกลายเป็นนิโรธาคือดับ แต่ชุด้นี่เรารู้แล้วว่า1ก็คือสอบไม่ผ่านเพราะไม่อ่านหนังสือเมื่อเราอ่านแล้วข้อสามก็บัดถึงได้ผ่านรู้จักวิธีแล้ววิธีก็คือหวนทางหนทางก็คือมักเพราะฉะนั้นต้องเร่งตัวนี้ให้เยอะๆคือเร่งตัวมักเนี่ยคือหนทางคือวิธีนี้ทำให้มันเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆ อั น, บบ น, นระดัตระระเยอะๆก็คื อ, คอวันทางเนี่ยนี่คืออริยสติเปรี่ยวฟังง่ายๆในชีวิ ต, ป ร, วต ป, ป, รปรตป ร, ระจำวันเหมือนเรากินข้าวกนปลาหิวที่หิวแล้วมันประมาก็กินเข้าไปกินเข้าไปมันก็ดับเรารู้ว่าเราหิวเมื่อไรเราไปต้องกินอันนี้คืออริยสติเหมือนกันในชีวิตประจำวันเหอนเราเนี่ยแหละที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน เพราะนั้นปรียะศัตรีจึงเป็นของที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยนี่แค่ยกตัวอย่างแค่หนึสตัวอย่างถ้าเราเอาของพวกนี้ออกมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่อย่างเช่นยาที่บายปาเช้ า, าก็ดีบอกว่า 1, 2, 3สก็คือปัจจัยพายนอกทำให้เราเดือดร้อนมีความสุขก็ทุกเพราะอันนี้คือคอน ย, ยา ขอใกล้ตัวและของในตัวเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะคือใจคือเจ็บตัวสำคัญที่สุดที่น้อยคนจะรู้สภาวะจิตใจของตัวเองก็ไม่เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นแต่ปัจจัยภายนอกคือคนอื่นเรื่องอื่นซึ่งนั้นทั้งบอกเคยพูดอยู่เสมอ ม, มันไม่ได้เกี่ยกับเราเลยเหมือนตัวนี้เราค่ากันตายตายเป็นหมื่น เราก็ไปทุกไปร้อนไปติดตามเรื่องราวซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยดูเราเจะตายวันไหนยังไม่รู้พอมีสติกิดขึ้นเอออย่างน้อยที่สุดก็โอป็นาญิโกน้อโกโอ็หาตัวเองเออจะได้ประมาณนะถ้าเราตกอยู่สภาพอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าเราไปเกิดอยู่ในสภาวะอย่างนั้นในภูมิประเทศอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นจะไปต่ อ, อยังไงไหวบนกุศลไม่ต่อยอด แต่ภาวะจิตใจมันสูงขึ้นมันดีกว่าเก่ามันได่หนึ่พวกเราถือว่าโชคดีที่อยู่ในภูมิประเทศปฏิรูปเทศาประเทศเที่มันเหมาะควรทุกเรื่องดินฟ้าอากาศบ้านเรานี่ยถือว่าเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นบ้านคืนก็หน้าหนาวติดลบ ออกไปไหนไม่ได้แต่มาหากินลําบากเรื่องทำมาหากินไม่ต้องพูดหนึ่งเหมือนพวกเราปร่เด็นสำคัญคือการทําหากินกันเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีวิตเมืองนอกลําบากส่วนบ้านเราอยากกินข้าวตอนไหนมีทุกอย่างปลรมากลากมาไม้ไปเมืองนอกกิโลละเป็นพันในบ้านเราสามโลร้อย เห็นแม้ความแตกต่างความโชคดีที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็ยังมองประมาทตอนนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับใช้ชีวิตเป็นการเพื่ออมาเตือนตัวเองว่าจะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาสามคำเป็ น, นสติก็คือให้อยู่กับตัวตัวก็คือตนนี่แหละตนคืออัตตาเราจะไม่เข้าใจตอนนี้ มันก็ต้องมีอัตาก่อนเป็นอยละอัตตาได้ก็ อ, อ น, าานัตตาแล้ก็แปลว่าเราจะละอัตตาแล้ก็ต้องมีอัตาก่อนเข้าใจอัตาก่อนอัตตาคืออะไรละละคืออะไรในความหมายเมื่อเราจะละคํ า, าว่าทุกข์เราก็ต้องรู้จักคําว่าทุกข์ต้องมีทุกข์ก่อนเป็นอละมันได้ก็คือผลคือตุคะ ทุกสมุทยัย ต, ตัวสมุทัยไม่ใช่ตัวเสละแต่เราเข้าใจแต่เราอยากละตัวนี้ตัวทุกข์เราไม่อยากละเราเข้าใจผิดเราเข้าใจไปว่าทุกข์มันละได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็อยากอยากละทุกข์ไม่อยากให้มันมีทุกข์อ่ะพูดง่ า, งงายๆภาษาเราง่ า, งงายๆในชีวิตปัจจุ บ, บันถ้าเป็นไม่ได้เลยขอให้ขา้าพเจ้ยายามีอย่างขอเอาอ่ะ อธิษฐานเอาขอให้เขาพเจ้ายาไม่โรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่เราขอมันเป็นไปได้ไหมถ้าสติปัญญาเราพอขอข้าเจ้ามีอายุยืนร้อยปีขอได้ไหมขออยากให้เขาเจ้ายาไมีโรคภัยไข้เจ็บเลยเป็นไปได้ไหมมันมีใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่แต่ไข้เจ็เป็นมากเป็นน้อยคนไม่เป็นโรคเลยมันไม่มีพรรอโรคเกิด สารพัดวิธีแต่พัดสาเหตุต่างๆก็เกิดจากตัวเราเองนี่แหละเราที่เป็นรูปธรรมนามธรรมคือความคิดก็เกิดจากตัวเราเนี่ยปรุงแต่งสร้างขึ้นมาแล้วก็มาทำลายตัวเองเหมือนระบบเวลาคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องความรอภความโกรธความหลงทำลายตัวเองอันนี้คือเป็นนมามธรรมคืชื่อตัวที่เป็นรูปธรรมอ่ะชัดเจน เราก็ไปสร้างเรื่องกั น, นเองมันยุ่ยงยากลำบากเนเพราะฉะนั้นพูทเจะสรุปพระราฟังมางทีที่ต้องเราเข้าใจครับว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือกำหนดรู้ท่านแชรคคำว่ากำหนดกาหนดเพื่ออะไรกหเพื่อรู้ก็คือโลกกับน้ำนี่แหละซึ่งเป็นที่มาคำว่าทุกข์ทุกขะถ้ามีสองคำนี้สองอย่างในรูกกับน้ำมันทุกขะ ทนอยู่ไม่ได้มันลำบากเป็นอัดกปดเพือนโดยสภาวะอันนี้ไม่ได้ในเรื่อว่าทุกไม่ได้แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจในที่เราก็แก้กันคือมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เหมือนคนเนี่ยทนอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีไม่ได้สต่พักเกินร้อยร้อยกว่านิดหน่อยก็ไปแล้วเนี่ยมันทนไม่ได้ทนไม่ได้มันไปไหนมันต่างสภาวะแต่พระคืออะไรดินน้ําไปลมมันคือข้อจริง น, นั่นแหละคือ อย่าอตตาก็เป็นอนัตตามันทำลายเองโดย อ, อัตโนมัติอยู่แล้วไม่พอก็ฝังใใ ส, สุดท้ายมันก็จสลายดังการไม่ร่าสุดท้ายนั่นคือคำว่าทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ในสภาวะนั้นนั้นแต่พระอไม่อยากให้มันดีเท่านั้นมันเป็นไปได้ไงก็แปลว่าไม่อยากให้มันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมในตัวเราได้เลยแล้วร่างกายมันจะประกอบเป็นยังไงพอจะไม่เข้าใจแต่ตัวที่สองก็คือ ตัวที่เราจะตั้งความเระจใจอ่อนต้นตอต้นเหตุตัณหาอุปทานมันเกิดจากตัวนี้ตัวตัณหาคือโลภะโทสะมหะอันนี้แม้แต่การกำเนิดของผมเกิดของลมก็เกิดจากตัวนี้แหละมีแสงสว่างอยู่ดี่นี่ส้าออกจากตัวสุดท้ายแสยงสว่างเหล่านั้นก็หายไปหม ด, ดไปดับไป แอเป็นต้นเติดของมนุษย์คือคนเราอันนี้คือตำราครับว่าอย่างงั้นแล้วก็คือเกิดจากความโลภเนี่นะเกิดจากความหลงความโกรธความหลงสามคำแค่นี้ก่อนหน้านั้นไม่มีอยู่กับปิติคือเอาอรมณ์ของพรมมันไม่มีความโลภควรอยากได้นาั่ น, านนี่นู่นี่เพราะว่าแค่นึกมันก็ได้อย่างเดียวแล้วก็ไปกินง้อนดินเข้ามากินอะไรอร่อยก็ยติดใจ คืออยากนั่นแหละนี่เราโลภคืออยากเมื่ออยากเสร็จแล้วมันไม่ได้ ม, มันไม่มีมันเป็นฟังก็แปลงสภาพไปเรื่อยๆจากมวลดินกลเป็นน้ำํำน้ำน ม, มนอยู่ได้พอเกินขอบก็ได้ไปแสงที่มีอยู่มันก็มันหายไปน้อยลงจนไม่มีแส ง, งเลยสุดท้ายก็มาติดตัวพระทะก็เกิดความไม่พอใจ เพราะอร่อยๆอออนี้แท้มันหายไปไหนโภสะคือมันพุทราใใ จ, จิตใจมโหะก็หลงคือติดในรูปในรสอันนั้นมันกายละเอียบกลายเป็นกายหยาบควงมละเอียดแท้แต่ควงมหยากรู้อย่างพวกเราในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้เราเรามีแต่เราเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ ก็คือความหยาบความละเอียดจิตหยาบจิตละเอีย ด, ด, ด, นน ด, ด, ดรูปหยาบรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปัู ม, เนนมรเปรนปนูปรูปรูปรูปาูดรูปรูปรูปรูปรูปรูปาูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปะูปรนปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปราจรูปรูปรูปรูปรูปมันสภาวะปรูปรูปรนนูปรูปรูปรูปรูปรรูรูปอูนนราาูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูปรูรูปรูปรูปรรูปรรูปรูป จิตที่มันเกาะผูกว่อชตินั่นแหละออกในแบบของรูปคําว่าฝันก็คือรูปละเอียดนั่นแหละที่มันยึดเอายึดก็คืออุปาทานในขณะมันเต็มเต็มเลยอุปาทานมันยึดเอามันยึดบรรยุทเอารูปอันหนึ่งรูปตัวเราเองรูปคนอื่นที่มันจําป็นสัญญาณแล้วก็ไปปรุงสื่ขารในขณะที่จิตมันนึกถึงอะไรขึ้นมามโนก็คือจิตใจ แต่มันนกนะมันเป็นภาพเพราะตามทำหม้าที่ไม่ได้โหทรหน้าที่ไม่ได้ไปทำอง้ า, าที่ไม่ได้มันก็เป็นภาพขึ้นมาหรือจินตนาการคืออาการของความคิดเรือจินตนาการเป็นอาการของความคิดคือการคิดก็คือจิตจิตมันนึกปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่เราหลับสองทุ่มสามทุ่มตีถึงตีสี่ตีห้านกว่าที่จะรู้ตัว รู้ตัวคือมารับรู้ทางนอกเรารู้กายเป็นยัง ไ, ไงในขณะนั้ถ้าเราฝันไม่รู้กี่เรื่อ ง, งอกี่ราวออกแกลเรื่องนี้ไปแปลว่าจิตมันนึกอะไรมาผ้ามันก็ออกไปอย่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่หรืออดีตก็จะออกมาเปอย่างนั้นในเขาเรียกว่าความฝันจึงเรียกว่านิมิตภาษาตาพาวเขาเรียกว่านิมิตนิมิตวันนิมิตเพราะนั้นในขณะที่เรานั่งสมาธินี่ย มันโชคดีอยู่ตรงที่ว่านิมิต่มันเกิดขึ้ น, นเรามีส ต, ติซึ่งต่างกับเรานอนหลับนอนหลับอาจจะนึกได้บ้างนึกนไ้บางคนในขณะที่หลับอยู่รู้ว่าฝันนะบัิฝันอย่าต่อเนื่องด้วยแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ว่าตัวเองฝันแต่สมาธิในขณะจิตเป็นสมาธิมันแตกต่างกันอย่างนี้คือจิตเรามีส ต, ติคือระนึกนึกขึ้นมาได้เห็นภาพอะไรแต่ เราไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้สุดท้ายจิตเราก็ไปติดอยู่กับรูปอีกเหมือนกันว ท, ที่ปรากฏนั่นแหละคือนิมิตนั่นแหล ะ, แ, หละแต่เป็นนิวิตีเป็นกกรูปก็ตามจะเป็นเสียงก็ตามจะเป็นกลิ่นก็ตามมันมีได้บราคนนิวิตออกมาเป็นปนกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นมาก่อนจุดทนไม่ได้ถ้าหอมมากก็หอมหอมจะไม่มี อะไรมาเปรียบเทียบถ้ามันเหม็นก็เหม็นจนทนไม่ได้ในสภาวะที่ว่านี่ถ้ามาเป็นรูนปคยาบหรืออื่นๆก็เช่นเดียวกันแล้วจิตมตันก็ไปคองไว้ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะจะเป็นโรคจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเรากําหนดอย่าพึ่งไปใช้มันจิตกําหนดทำอย่างไงหมายความว่าก่อนที่มันจะเกิดอ่ะ มันเป็นยังไงนึกย้อนหลังคือเรียว่าวชนะการ น, นึกการเข้าการออกทําให้ชานาญเรียกว่าสีทําให้ชานานก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรอาวรนกับมันทําให้ชำนานแปลว่าทําให้มันเกิดก็ได้ทําให้มันดับก็ได้ทำให้มันเล็กก็ได้ทำให้มันใหญ่ก็ได้นี่จะได้ประโยชน์มันจะได้ประโยชน์จริางนั้นแล้วเราก็จะอยู่กับองคองค์งหลน ใ น, นถ้าจิตอยู่กับพวกนี้นะไปรมจะจิตจิตพวกนี้นะแต่มันก็ได้แค่นั้นตอนให้จิตมันอยู่ได้เป็นเจ็ดแปดกับเป็นร้อยเป็นพันปีเมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็ยังดีแต่ตอนนี้ถ้าจิตเราที่เป็นสมาธิที่มีสติเรารู้อืสุดท้ายถ้าเราเห็นแล้วก็มาลงที่แต่ละอืม สุดท้ายปราการปฏิบัติของเราก็คือต้องการให้จิตของเราเข้าใจใจหลักคือการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และดับไปของมันนะพูง่ายคือเผามันเกิดได้มนันตายได้เหมือนคนนี่แหละแต่ว่าเราจะเห็นการเกิดดับของมันเร็วซึ่งต่างกับคนคือเกิดแต่เจ็บแล้วก็ตายกว่าจะรู้ว่าตายน่นบางคนก็เป็นร้อยปีเหมือนหลวงปู่ว่าจะจากไป สองสามวันที่ผ่านมาที่จากไปเก้าสิบกว่าเกือบร้อยร้อยกว่าร้อยหนึ่งร้อยสองก็มีนั่นก็แปลว่าก็จะรู้ว่าตายคาว่าตายเนี่ยมาื่ตายก็ไปเป็นร้อยปีหรกอต่างแต่การที่มันจิตที่เป็นสมาธิแป๊บเดียวมันเห็นของมรู้นี่เลยเราจึงเรียกว่าเห็นการเกิดและการดับเร็วมันเป็นกาได้ประโยชน์ซึกต่างกับหลายหลายคนอีกไม่เห็นเลยว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงมันตั้งยังไงอันนี้อีกหนักก็ไปอีก ฉันเห็นสภาวะอย่างนี้ปฏิบัติแล้วไม่เห็นสภาวะอะไรนี้เลยนะโอ้อนักหนักขึ้นหนักมากมีแต่หนักธรรมดาดังนั้ น, ก, น, ก, านาการปฏิบัติทางมของเราต้องการให้จิตของเราเห็นสภาวะอย่างนี้ในเบื้องต้นทะครกางจิตมันจะรวดเร็วหลักแต่หลักถ้าเราเห็นอย่างนี้ใครก็ตามเห็นเร็วเห็นเร็วมากก็จะ เ, เห็นกันเกิดการดับเร็วเร็วที่สุดเลยลัก มันก็ได้ประโยชน์จะเห็นปุ๊บแล้วจบเลยนั่นก็แปลว่าจิตมันวางได้เร็วมาเกิดเร็ววางเร็ววางทันทีมันก็ไม่มีเรื่องที่จะไปคิดต่อคือไม่มีอะไรที่จะไปปรับปรุงต่อนะเห็นไหมแต่ภาวะจิตนี้มันมันจะเป็นประโยชน์่ังมากในการละทอนปล่อยวางมันจะไม่เสีเวลาไปปรงุงไปแต่งไปสุขไปทุกข์อยู่กับเขาเยอยงนั้นอุเเกราทำหน้าที่ ทันทีมันมันไม่เกิดความสุกสกมันก็ดไปเอาทุกข์มันก็ไม่เอาเกินวางาเะยจริงอุเเกขาคือเป็นกลางต้องการที่เองเราเป็นกลางอย่างนี้สมะุทธเทศดถึงย้ำอยู่เสมอว่านักปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้มใจเขาตัเองเป็นกลางไม่ได้ก็ถือว่าการปฏิบัติธรรนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จที่ทำใจเป็นกลางไม่ได้เพราะว่าใจนะ่ะมันมีสุขมันมีทุกข์อยู่ คือมันยังเอาสุขมันจะเอาทุกข์อยู่คือวางไม่ได้สุดท้ายถ้าจะไปไกลหนักกว่านังก็คือวางบนญวางบาปได้บุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอายัางเรียกว่าพ้นคือพน้อพนจากนี้เนี่ยคือใจเราพ้นจากนี้คือพ้นคืออยู่เหนือสิ่งเหล่านี้อยู่บนสิ่งเหล่านี้ทุกปัจจุบันอย่างน้อยสุดเราก็เราทำได้ดีสุดคืออยูใ่ในระดับเดียวกัน อ, อยู่รู้ก็ยังดีแต่บางคนไม่รู้เลย เกิดทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่รู้สุดท้ายก็โดนทุกข์ก็เนี่ยแหละมันกัดก่อนบางคนบีบคั้นหนักๆจนไม่อยากมีชีวิตอยู่เห็พูดง่ายๆก็อยาตายหาทางตายซึ่งไม่รู้ว่าคำต่อต่อไปทางจากตายจะเป็นยังไงก็อย่างต่อไม่ได้แต่ว่าอยากตายเห็นไหมเพราะมันโดนดีบคั้นอย่างหนักแต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วมันจะเข้าใจหลักการอันนี้ เราลองเจสุขกเหือนกับเาลองเหยีทุกข์นั่นแหละฝันตั้งสองอย่างเนี้ถ้าเราวางได้เราจะเข้าใจอารมณ์ของเราเมื่อเวลามีสุขมีทุกข์จิตของเราจะวางไว้ตรงไหนธรรมชาติจิตหรือใจโดยธรรมชาติเขาเขาเป็นกังอยู่แล้วมันไม่ว่าใจพออื่นว่าเราไ ป, ไปรับอารมณ์เช่นอารมณ์ข้างนอกเห็นตาเห็นรูป คืออาณาธนภายนัยแยกระภายนอกอันทำหน้าที่มันเชื่อมมันต่อกันมันกเกิดสภาวะที่ชอบไม่ชอบคือภาษาหน่อยมันกระทบมันเกิดภาษาก็เกิดเวทนาคือสวยสิ่งที่เราชอบคือสวยอารมณ์นั่นแหละอารที่เราชอบไม่ชอบหดุเจเฉยก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาการทุกขมาตุเวทคือไม่สุขไม่ทุกขก็มีแค่นี้น ที่มันมันกระทบแล้วทำให้อิจฉาของเรามีผลแต่เพราะเออวะสติสติของเรามันบกุกบรรฟองมันน้อยแค่นี้อันนี้เราไม่เกี่ยวกับรูปแล้วนะเราไปที่เวทนาแล้วตัวที่สองในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังการอินญาณเร า, ญญาเข้าใจอย่างวิธีเราดูจุด ต, ตอนนี้เ ร, เราเข้าใจว่าเออรูปก็คือรูปที่เราเข้าใจนะถ้าเข้าใจตรงจริงๆก็คือ ดินน้ำไฟลมนะไม่ใช่ร่างกายที่เราเข้าใจอย่างนี้นะเราเข้าใจร่างกายคือรูปทุกวันเราเข้าใจอย่างนี้คือสัญญาตัวนั้นยังเป็นสัญญามันยังไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญามันต้องบอกว่าวมันคือดินน้ำไฟลมคําว่ารูปพอสุดท้ายเขาดินก็เป็นดินน้ำฝนน้ำไฟไฟเราก็เป็นลมก็คิดได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่ารู ป, รปกวนั้นหญิงชาย รอไม่รอสูงต่ำดำขาวพลเรื่องอันนั้นก็อยู่ในขัข้นของสัญญาณความจะได้ไม่รู้ซึ่งเป็นตัวต่อไปอยากเวทนาพอผ่านตัวรู้ไปนี้เข้าใจเออดีนะไปลงนาะรู้อันคือเวทนาคือตัวนี้คือมันกระทบแล้วมันเกิดสบายไม่สบายชอบไม่ชอบเฉยๆแต่มันวางไม่ได้รูปเอะขานี่คือปัญหากอว่าสิ่งที่เราจะต้องทาให้มันเกิดขึ้นก็คือตัวนี้ ที่เรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้มีทําให้เป็นทําให้เกิดขึ้นคือทําให้เป็นกลางให้ได้เรียกว่าภาวนาถ้าภาวนาเป็นแล้วมันเป็นกลางไม่ได้มันก็ยังชอบกับสุขกับทุกข์ดูก็ไม่ใช่ว่าภาวนาเขาพูดง่ายๆภาวนาไม่เป็นแต่บูดง่ายๆคิดไม่เป็นอ่ะมันที่ไม่เป็นเพราะวางสุขวางทุกข์ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาไม่เป็น เพราะอะไรเพราะสติกับมาที่เดิมก็ที่เป็นปัญญาคือสติกับมะที่เดิมแีนี้ถ้าว่าอุเบกขามันเริ่มบางละความสุขวางทุกข์มันก็ไปต่อโอ้ที่มันสุขที่มันทุกข์มันจะเฉยเพราะอะไรรูปเวทนาสัญญามันจําว่าอย่างนี้มันเออมันสบายอย่างนี้ไม่สบายคือสุขทุกข์นั่นแหละอย่างนี้มันจะเฉยหน้าที่ของมันมันทําหน้าที่ของมัน คือสัญญาแต่ที่สัญญาเนี่ยถ้าไปภาษาคือกระทบแล้วชอบไม่ชอบมันเกิดอะไรขึ้นมันผลต่อใครปัญญาสติปัญญ า, ญญารูปมีธนาสัญญาโือจำสั้างขานก็พ่อเราไปไปต่อความยาวสาวความยืนสั้างขานไม่ได้แปลร่างกายแปลความรู้สึกรู้คิดปรงแต่งเราที่เป็นเรือ่อยเืย ที่มันไปต่อไปเรื่อยต่อความยาสาความเรืยไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเรื่องเราก็ตามเรื่องเขาก็ตามมันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องเก่าเก่าเดิมๆมันยังเทศอยู่ได้มัยังโพดอยู่ได้ยังทําอยู่ได้เพราะเกิดจากการปรุงนี่แหละก็ยังกินอยู่อย่างบริโภคอยู่มบนก็บปลาอาหารอาหารในี่เราไม่เคยกินไม่มีในบ้านเราหมเห็ดเป็ดไก่ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีนสารพัดรสเคยทางนั้นมันนี่คือสังขารคือการปรุงแต่งอันนี้มีผลต่อการวางอารมณ์ของพวกเราทางนั้นสุดท้ายก็สังขารวิญญาณก็เพราะมันเกิดการรับรู้วิญญาณม่เด็ดปีแสงดังมาเพราะสังขานี่แหละป ร, ะระตดับใดก็ตามถ้าเป็นวิสังขารเมือไหร่คือปัสจาปรุงแต่งเมื่ออาหารมันมีรสมันมีชาติ อะไราพวงแต่งจืดชืดมันเราอยากเข้าใจว่าโ อ, อเ้เอาลมนี่มาจืดชืดมันเป็นอย่างนี้สมัยไม่ต้องไปพุงไม่ต้องไปแต่งมัน อ, มอวิสังคานที่เราทานต้องการให้จิตของเราเป็นอวิสังคารอวิสังคานจะเนี่ยอวิวัตตะมันก็เปิดจากวัตตะจุนวนวนอะไรวนเรื่องเดิมๆคิดเดิมๆพูดเดิมๆทาเดิมๆนี่คือวนเรียกว่าวัตตะ จากที่เราเข้าใจเราอ๋อที่มันสุกมันทุกข์เนีเพราะว่าเราไปวนอยู่นี้เองมันคิดอยู่อย่างนั้นแหละชอบไปคิดอยู่อย่างนั้นไม่ชอบมันก็คิดอยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมมันก็วนไปวนมาเหมือนคนเดินวนไปในวงกลมพอจิเปรี่ยนเพียนฟังกับเบอร์ก็เดินเป็นวงกลมกลับมาที่เดิมอีกไปธรรมชาติก็เช่นเกิดแหมเจ็บแล้วก็ตายตายเสร็จแล้วก็มาเกิดอีกแหมะเริ่ต้นที่เกิดใหม่อย่างนี้อริวาตตะแต่ถ้าเป็นวิวาตตาหรือตัด จากเส้นวงกลมมันจะตัดเป็นเส้นตรงมันจะกลับไม่กลับไปหาที่เดิมละวิปัตสนาคือมันเปิดคือมันตัดตัดวงกลมตัวนี้คือตัดวงจรความคิดการพูดการกระทของตัวเองเนะี่แหละปัญหาคือเราทําได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราแค่หยุดไหมหรืออย่างนั้นก็คือรู้ก็ยังดีเพราะฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอว่าเกิดขึ้นในรับรู้ตั้งอยู่ในพิจรารณา นีขั้นตอนอย่าเพิ่งปฏิเสธที่เพิ่งไปรับรู้นร้่ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนถึงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การนับไปของมันนี่คือกระบวนการที่จิตขงเราดับสิ่งเหล่านี้ได้ที่เป็นจากวัตตเป็นวิวตตจากสังขารเป็นวิสังขารรูปเวทนาใสังขารวิญญาณไอสิ่งที่เรารับรู้รูปวิญญาณธาตุหือธาตุรู้นั่นก็คือธรรมธาตุ ถ้าเป็นธรรมธาตุเมื่อไหร่ถ้าธรรมธาตุเกิดขึ้นกับแจของเราของเราเมื่ อ, อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเราจะเข้าใจว่าทั้งประตูกระบวนการนั่นะคือรูปเวทนาจักรการเิ็นอย่างโดยเพ่มยิง่งคือรูปคือดินน้ำไฟลมถ้าเรายังไม่รู้อุบวนการของมันก็ไปไปติดกับขั้วสิ่งเหล่านี้คือไปติดกับรูปไปกลัวเออตายแล้วจะเป็นยังไงก็ยังเป็นห่วงเหมือนตนที่มาแยกยากันไปแล้วไปคนละที่คนละทางแล้ว ไปบ้านใครบ้านมันแล้วถ้าพวกเราเง่ายๆดินก็เป็นดินนะ้ำเป็นน้ำไปไ ป, ไปลมเป็นลมเรือกระถาดตัวรู้ตัวนั้นแนหะที่ตัวกับตัวเราไปตัวนั้นแนะ่ะที่เราฝึกอยู่ทุกวันก็เพราะตัวนี้ไม่ได้ฝึกเพราะร่างกายอันนี้ไม่ได้ฝึกเพราว่ากลัวโรคภัยไข้เจ็บมันหายจากโรคภัยไข้เจ็บไอ่ต้องไปกลัวเขาไปฝังอะไรก็หายเหมือนนั้นเอาไปเผาหอะไรมันหายไปโรคภัยร้ายขนาดไหนมันก็อยู่ไม่ได้ เจไฟมื่อไรไปหมดอันนั้นก็ธรรมชาติไปทายทางวะนั้นโรคภัยก็เจ็บตั้งหลายก็รักษาเท่าทีรักษาได้รักํา ไ, ได้กูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้ร่างกายมันอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันพราะมันเป็นเรื่อกายเป็นเรื่องปกติสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันได้กาเป็นเพื่อนก็ได้ก็อยู่ไได้วยกันมานานนะแต่มองไม่เห็นกอนนั้นเองพวกโรคเนีลยมันอยู่กับเรามานานแล้วมันอยู่บ้านเรามานานแล้ว เราไม่เคยเห็นไราเคยรู้เพราะเราไม่พิจารนาเราไม่มีตาไหนมีแต่ตาหนังมีแต่ตาเนือ้อตาในมันไม่มีเพราะนั้นตาคือเหมือนตานอกตาในก า, ก, ากายก็เหมือนกันกายนอกกายในกายหยาบกายละเอียดเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราสุดท้ายถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ม ไล่เรียงกันใหม่าะอโอที่ผู้เจ้าสอนอ่ะที่เป็นความจรงิงแล้วอริยะสัจสี่คือความจริงเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วตัวเนี่ทุกข์ขานเริ่มเริ่มเข้าใจว่าทุกข์ละทุกข์เพราะอะไรเพราะว่า ต, นนตัวเนี้ยสามสี่ตัวน่นคือเวทน า, านจารย์นักการ์ซึ่งมันอาศัยรูปก็คือดินน้ำไฟลงนี่แหละถ้าไม่มีดินน้ำไปลงสี่ตัวมันอยู่ไม่ได้ฝันสี่ตัวมันอาศรรัยนี้อยู่เมื่อไรก็ตามถ้าดินน้ำไปลงมันแยกแยะกันไป ไอ้สีตัวคือเวทนาสัตญาติยมันก็อยู่ไม่ได้มันไม่เก่งแค่รูปมันก็ไปอยู่ที่อื่นมันก็ไปตั้งอยู่ที่อื่นคือออกย้ายจากนี้เราก็บวกลเคลื่อนภาษาเทวดาเรากบวกลเคลื่อนเรือจุติคือเคลื่อนออกจากนี้เคลื่อนไม่ได้เคลื่อนหายไปเฉยๆมันก็ไปหาที่ตั้งใหม่ไปหาบ้านใหม่ไปหาเราือนใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยจะไปตั้งยังไงจะไปอยู่ยังไงก็เหมือนกับฝัน มาก็ว่าจิตมันนึกอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนั้นโอสมมติว่าจิตเราไม่เคยฝึกเลยจิตไม่ดีพูกเราลองจะดูว่ามันนึกถึงภาพที่มันไม่ดีขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีแต่ภาพเนื้อมโนภาพหรือภาพจากใจนั่นแหละคือพบที่เราจะต้องไปเพราะว่าชาติหรือชาตามาจากพบก่อนที่เป็นชาติคือเกิดเกิดเป็นคนของเรามาจากพบนะก็คือการมาพบรูปพบรูปพบ จิตเรามาจากนั้นประนัติภพชาติถ้าเรารู้ว่าพบชาติโอมันเกิดอย่างนี้นี่เองแล้วพบชาติมันต้องต่อรสชาติหน้าไหมไม่ต้องมันเกิดพบชาติทุกวันทุกขณะแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นพบเป็นชาติเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าอาวิชชาก็คือไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่รู้แจ้งนี่จริงตามความเป็นจริงคือข้อที่สาม ข้อที่สองเพราะเราไม่รู้จึงจําเป็นจะต้องให้รู้แจ้งจริงก่คือข้อที่สามคือนิโรธต้องให้รู้แจ้งใอ้จริงแต่ก่อนคือรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็วางเขาอย่างนั้นแล้วก็รู้แล้วว่าหนทางที่จะดับคืออย่างไงคือต้องอ่านหนังสือเยอะรู้สอบตกต้องอ่านหนังสือก็คือต้องปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรคืออ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านอะไรอ่านตัวเองตัวเองคืออะไรรูปกับน้ำนี่แหละ รูปคือเด่นน้ําไฟลงอ่านให้มันเยอะๆนามคือเวทนาเนอย่างการยินยานอ่านเยอะๆให้มันเข้าใจให้มันจนจนรู้เท่าทันพอตาเห็นรูปมันเกิดความรู้ขึ้นมารู้ว่าจะต้องทํำยังไงปัทธรับไปสุกกับมันอยู่ไปทุกข์กับมันอยู่เออลาบากนะขว า, างมันไม่ได้ทุกวันเป็นอย่างนี้คือทั่วทั่วไปเป็นอย่างนี้หูหก็เหมือนกันถ้าไม่ทัน มันรับเสียงเข้ามาเกิดชอบไมชบ่ชอบเฉยๆนั่นถ้าจิตมันวางไม่ได้มันก็จะตามเขาเกิดชอบไม่ชอบเกิดดนท่าว่าร้ายก็ใจมันก็ออกไปข้างนอกนี่มันก็พุ่งขึ้นมาเพราะไม่ปกตินี่ยอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็แค่ข้างนอกกับข้างในก่าสู้กันแต่ถ้าเราใจเราเป็นกลางจริงเราเฉยๆเหมือนเขารบกันตอนนี้เราเดือดร้อนไหมแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาด้วยเนี่ยเดือดร้อน ตอนที้เราชี้เฉยคือไปเป็นกลางเขารบกันเขาบอกเกิดเกี่ยวกับต่างเขาเองเราไม่เกี่ยวเนี่ยเห็นไหมถ้าอยู่ออกกันนี่มาสบายจิตของเราสภาวะถ้าสภาวะของจิตกองใดก็ตามถ้าอยู่ในในชีวิตประจำวันคือเกิดเร็ววางเร็วได้เป็นเรื่องที่ดีมากๆจิตของเราจะเจริญเราจึงเรียกว่าภาวะน่ะคือทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเจริญถ้ามันเกิดขึ้นให้มีขึ้นให้มันเป็น มันฉลาดอยงที่เราภาวนาไม่ได้ไปว่าหลับลับตาเดินไปเดินมานั่งเินนี่นู่นนั่ น, น, น, น, นคือวิธีการแต่จริงๆต้องการให้เราเป็นอย่างนี้สุดท้ายปลายทางเรา ก, ก, ก็ต้องการนัตจีนะคือพัฒนาคือเจริญนี่คือตัวสุดท้ายที่พระเบอกว่าในหลักความสี่ความจริงสอย่างนั้นต้องมีภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าภาวนายังเข้าใจว่ายืนเดินแน่นอนหลับตาเนยก็จะเชื่อว่าภาวนา เมื่อไรไม่หลับตาก็ไม่เชื่อว่าภาวนานะโอ้ยังห่างไกลอยู่อย่างเนี้นหยห่างไกลเงี้ยเรีว่าภาวนาตองหลับตาเท่านั้นลืมตาละภาวนาไม่ได้ไปอย่างห่างไกลอยู่ผมไม่เกี่ยวกับหลับตาไม่เกี่ยวกับลืมตาทันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเ ย, ยืนเดินนั่งนอนอริยบทไหนก็ได้ขออย่างเดียวให้เกิดสติปัญญาเท่านั้นจึงเชื่อว่าภาวนานั่งทั้งวัน แต่ไม่เกิดสติปัญญาได้เลยก็แค่อดทนต่อทุกขเวทนาได้ในขณะที่ไปนั่งแทนที่จะอยู่กับใจอยู่กับตัวนู่นไปไหนก็ไม่รู้นั่นมันก็ไปเที่ยวใจมันออกไปเที่ยวมันไม่อยู่กับตัวมันไม่อยู่ในบ้านมันออกไปเที่ยวข้างนอกมันไม่อยู่กับตัวเรื่อสติแต่ตอนนั้นมันนึกไม่ได้ว่ามันอยู่ข้างนอกว่ามันอยู่นอกกายมันไม่คิดว่าอยู่นอกกายแต่พอ ดึงสติกาคือรู้ตัวเห็นไหมสติพูดอยู่เสมอว่ารู้ตัวกับตัวรู้เนี่ยต้องสัมพันธ์กันมากๆเลยที่เราทำชทีตีแต่เพื่อให้เรารู้ตัวรู้ตัวคือสติวิ่งกระบาตัวเองในรีบทคือยืนเดินนั่งรู้นอนนะต้องการให้สัมปชัญญะคือรู้ทั่วคือสูบลมหายใจเขา ต, ตั้งแต่หัวจะดเท้ารู้ทันทีว่าสติต้องวิ่งกระบาดตัวเองทันทีฝึกให้มัน เ, เป็นอย่างนี้นะสัมปชาาัญญะ สติมันก็สติมันก็จะเกิดสติมาซัมปชโนตัวที่สําคัญคืออาตาปีอาตาปีคือความเพียรเป็นตัวเร่งตัวตันเผาเอาปเป็นเป็นเป็นกุ้งหอยปูปลาตัวทําให้กุ้งหอยปูปลามันสุกจากที่มันดิบดเอยู่มันกินไม่ได้บริโภคไม่ได้เอาไปเผาเผาเสร็จก็พร้อมที่กินได้บริโภคได้เนี่ยจิตเหมือนกันถ้าจิตไม่โดนเผามันก็ดิบ ไม่โดนไฟฟอร์ม่โดนไฟหลน่นมันดิบมันไม่พร้อมที่จะใช้งานเขาเป็นคนคนดิบไม่ใช่คนสุกยังดิบๆอยูบบ่บริโภคอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แบบนั้นต้องทออาํามันสุกก่อนจิตก็เมืดกันต้องจิตเท่าไรมันทำมันสุกปฏิบัติคืออาตาตีนี่แหละตัวเผาสติมาซาปิชาโนนี่ก็เลยว่าถ้าใครครบขั้นตอนเหล่านี้ได้บุคคลนั้นจะ ภาวนาประสบความสำเร็จอพอะนี่คืออารมณ์ของวิปัสนาคือสัาิละตอนปล่อยวางเกิทาเสกันหาคือรูปนามนี้ได้ก็ต้องอาศัยตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้เลยอย่าไปพูดถึงเลยในการละตอนปล่อยวางนั้นก็เพียนมีแต่ไม่พอไม่ถึงสินค้านมีก็ตีราคาที่หนึ่งร้อยบาทเรามีตังค์อย่างสยิบาท ทำอะไรได้ไหมไม่ได้มีสตังเหมือนกันแต่ทําอะไรไม่ได้สติเรามีเหมือนกันเขต้องร้อยเปอร์น่ยเรามีแค่สามสิบเซคือพลังของมันมีสติพลังคือพลังของสติปัญญามีแค่นั้นทำอะไรไม่ได้มันจะมาเจริญเจี่ยงจริงหมดพลังก็เหมือนกับแสงไฟแสงนีออนแสงไฟฟ้ามันแค่สามสิบแรงเทียนแทนที่เป็นร้อยแรงเพรียดมันก็เห็นได้แค่นั้นมันเห็นเหมือนกันแต่มันเห็นได้แค่นั้นแค่สาสิเอร์ สรู premises, ้สัวมัวมัวอยถ้ามบบรอยเอแสงสว่างจ้าเมื่อไรเราจะรู้แจ้งจริงติวบอกมันนี่มีการวันนี้มีการคืนแต่เราครูบาอาจารย์ตอนรู้แจ้งจริงจรงแล้วมันแสงสว่างเกิดขึ้นในใจอย่างเขาแม่ครูบอาจารย์ท่าบอกถ้ามันเกิดแล้วมันจะสว่างจ้าอยู่ในใจมันเป็นสว่างทั้งกลางวันก็ไม่รู้รู้สัมมาเป็นกลางวันกางคืนมันก็อยู่นะอันนี้อันคืออารมณ์คือสภาวะทำทำมันเกิดขึ้นมันก็จะขจัดความมืด มันเป็นศาสนาธรรมว่ามันขจัดความมืดจะที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมี่มันซุกซ่อนอยู่ตัวเราเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้มาเห็นที่มันสุกซ่อนอยู่มานานคือกิเลสทนายมรณะทิฏฐิเราจะเริ่มเห็นโอ้ตัวตนหน้าตามันเป็นอย่างนี้เราตกเป็นทาสมันมานานแสนานานก็เพราะอย่างเพราะรตัวภาวนานแหละจึงเป็นตัวสําคัญม า, มากๆที่จะให้รู้ถึงทุทกสวดให้ดิโรธ คือวิธีการนั้นเองจำเหมือนเปรี้ยวอะไรฟังแบบสอบตกเพราะว่าไม่อ่านหนังสือสับตกเพาะความอารมณ์มันก็เป็นทุกข์มารวมเป็นทุกข์ก็อ่านหนังสือใหม่กรผ่านกรผ่านมันี่เราะคือดับเห็นง่ายๆอย่างเมื่อเราหิวเข้าประหารมันหิวหิวก็คือเวทนานเรากินเพื่อบําบัดเวทนาไม่ได้กินเพื่ออร่อยอร่อยอร่อยเป็นผลพอยได้ว่าอันนั้นมันอร่อยนะอันนี้เปรี้ยวมันเปรี้ยว แต่จริงๆนะต้องการนะอาจจะร่างกายกํกกำลังมีพลังการภาวนาก็เช่นเดียวกันต้องการให้จิตเรามีพลังไม่ต้องการให้เป็นนั่ น, ปนเป็นนี่นเป็นวุเหตุนัน่นเกิดในที่ปฏิยานนะอันนี้เราเข้าใจกันนะมันไม่ใช่ต้องการให้จิตของเรามีกําลังเยอะๆจะได้ยกของที่มันหนักอยู่ในใจคือขันขันห้านี้ที่เป็นภาระหนัก บทโลกไปนี้มันจะได้เบาบางลงเราจะว่าขจายการไปได้เป็นเรื่องที่ดีค้าหมายมันอยู่ตรงนี้เพื่อจิตมีกําลังมีพลังจะได้เรียนรู้ได้เข้าใจท่าสี่กันห้าดินคือดินหน้าไปแล้วถูกเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปมันไปต่อมันสี่ตัวไปต่อนะแต่ต่อมันก็ยังอาศัยรูปอยู่แต่ถ้ามาติดมานข้องเรามีสติมันก็จะไปอย่างนี้การภาวนาต้องการให้เราแยกอย่างนี้ คือเห็นรูปเห็นนามเสร็จแล้วก็ละทอนปล่อยวางคือเกิดสติปัญญาเมื่อสติสนาสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมเมื่ อ, อไหร่หมายว่าศีลสมาธิปัญญาสามคำนี้มันคือมรรคหรือปฏิปทาคือคุณทางในการปฏิบัติของเราสมบูรณ์พร้อมเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นละเราจะเชื่อว่าเป็นนักภาวนาที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราอยากเข้าใจไว้ศีลอีกเรื่องหนึ่ง สมาธิอีกเรื่องหนึ่งปัญญาอีกเรืหนึ่งอันนี้ก็ยังหทางยั ง, ยงเข้าใจผิดจริงๆแล้วถ้าสามอย่างมามาทําหน้าที่พร้อมกันมันจะมีกําลังอย่างมากบริอพองยิงศีลจะเป็นพื้นฐานรองรับทั้งหมดสมาธิปัญญาสุดท้ายมันจะกลับไปกลับมาวนไปวนมาอบรมซึ่งกันและกันเมือ่อศีลมาเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีความวิตกกังวลสมาธิมันก็เป็นเด็ยวคือไม่มีความบริโภ r t h เมื่อที่บางคนมันริรับรู้เพราะมัวางไดอารมณ์ปัญญามันก็เกิดพอปัญญามันเกิดแล้วมันก็จะมีอบรมกันไปอบรมกันมาอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นพลังที่มันน้นส่งต่อกันและกันถ้ามันใช้ปัจจปัญญาเยอะมันอ่อนมันล้าจิตมันคือไม่มีกําลังพอสมาธิก็มาริต้นที่สมาธิมันจะได้มีกําลังจะได้มีพลังเข้าไปต่อกันพิจารณาเพื่อความรอดตอนไปิดวางสลับกันไปอย่างนี้ เริ่มตั้งใจทำบริการจิตสงบแล้วจิตงอแล้วก็มันจะเกิดปัญญาปัญญาเสร็จแล้วพิจารณาพิจารณาต่อมันอ่อนมาละก็งดตอนนี้มาทำสมาธิต่อถ้าเป็นไมได้ก็พักอัปนาสมาธิกัรนอนสมาธิมันพักมันไม่รับรู้อะไรก็จริงแต่มันมันได้กําลังไม่ได้พักหลังคือมันได้หลับเต็มที่ถ้าเป็นคนเราคุณย่งไงคือมันได้นอนเต็มที่จิตมันได้พักเต็มที่เลยทุกวันจิตเราไม่ได้พักอุปจารสมาธิ มันไม่ได้พักแต่มันดีอย่างกำเกิดปัญญาแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเราหลับตื่นนั่นแหละคนเราเส้นห้วงนอนสปปะพงงกราหลับตื่นๆสมาธิชั่วครั้งเถะครับมันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีอยู่นะออ ก, กสปพงงหน่อยเออบางคนสดชื่นเห็นไหมอันดับสงองเขาิตสงบแม้นนิดเดียวแป๊บเดียวมันยังได้มีพลังขนาดนั้นเรายังหายง่วงเลยการถ้าเราทําสมาธิได้ปฏิบัติได้ สติสมาธิปัญญาเซนสมาธิสมบูรณ์แล้วอันนี้คือเป็นหนทางแนวทางแล้วก็เป็นการภาวนาที่สมบูรณ์แบบเราจะเข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็คือกุศลก็จะเกิดขึ้นแทนนี่เป็นอกุศลคือไม่รู้อะไรเลยกุศลรรมมันก็เกิดขึ้นนทางในการเรียนรู้ของพวกเราก็คือรูปต้อนอิชีวิตจิตกรรมธรมรมะปัญญาก็จะภาวนาคอบเขตนี่นหแหละสุดท้ายตรรมสังเวชนิพิทาเว ร, ราคะสันติทิพาน เป็นเบื้องปลายมันเป็นขั้นตอนของการว่างเงินขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวมันเข้าใจแล้วคือบรรวางได้ทันทีมันก็ปกติอ่ะเป็นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเลยแค่กระทบคือพรรษะก็รับรู้ตั้งอยู่มันกระดับไปมันอยู่ที่ว่าใครสติปัญญาของใครแต่ละคนมันมากน้อยไม่เท่ากันาคนกระทบแล้วอ า, อาจจะอยู่นานหน่อยมีผลต่อจิตใจแต่ถ้าคนวางอารมณ์ได้เร็ว มันก็อยู่ได้ น, นะมันอยู่ตรงนี้ชีวิตพุทธะเรากลับมาอย่างนี้การใช้ชีวิตกรรมเราเราจะเข้าใจว่าโอ้จริๆงๆแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยุ่ยยากซับซ้อนใดๆเลยเอาแค่นี้ในชีวิตประจำวันเราก็ช่อว่าเราอยู่ใกล้พระตรัสรูคือพระพุทธเจ้าพระัธรรมแลียวกับอริ ย, ยาสงฆ์นี่คือกิดเบื้องต้นเลยกิดเบื้อ ง, งต้นแล้ถ้ารับกิจเบื้องต้นตัวนี้บันไดที่จะสูงไปกว่า น, นี้ ที่ต่อยอดไปกว่านี้มันก็จะง่ายขึ้นความรุ่มหลง <S <S อื่นๆมันจะไม่มีเพราะความมั่นคงในพระรัตไตรมาสมบูรณ์คือเอาชีวิตมาแลกก็ยอมนายถึงขนาดนั้นถ้ามาได้ครั้งแรกมาถึงตายก็ยอมคือขนาดนั้นความมั่นคงในพระรัตนไตรแต่ว่าสภาวะทั้งบนทั้งบนนั้นเกิดจากการจริงเราสมบูรณ์ดรู้สิที่ปัญญาเท่านั้น ที่จะเกิดสินนุยได้แต่ปราเรายังแยกว่าเอออาศัยสินไปก่อนสมาธิยังไม่ได้อันนี้ยังยังเรายังยไม่เต็มนานๆก็นั่งสมาธิอ่อนเป็นเป็นอันนี้ก็ยังจริงๆแล้วนั่งมาหลายปีแต่ไปห่วงเรื่องเรื่องสินเนี่ออะไรมันเป็นทันทีเลยอยันนี้ยวงไปจะเร็วไแต่ไปกังวลคือไม่มีความปริพเซึ่งเป็นอุปสรรคหรือว่าลิวรธรรมอย่างหนึ่งที่ปิดกั้นพวกเรา ไม่ให้ถึงความเจริญคือภาวนาเนะี่ยแหละนักภาวนาทั้งหลายการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายโประจุดเนี่ยแนวนี้ให้ใช้แนวนี้เป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราก็จะพบกับความเจริญคือภาวนาคือพัฒนาในทุกๆุกวันก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็ขอองค์พุทนาครดีปรอดทุกคนที่ตลอดเวลาติดปีที่ผ่านมา รู้กันฟังธรรมจำสิ่งภาวนาครบบ้างไม่ครบบ้างหลายท่านหลายคนก็จเจริญคือปฏิบัติธรรมโดยในสติกังขะตลอดระยะเวลาพรนศาการที่ผ่ามาก็ถือว่ามีการต่อยอดตัวเองเป็นการทดสอบทดลองคิดเลตนาระครับมรดิจิตที่มันนีอยู่ในอนงแล้วก็จะเป็นบารมีที่เข้มแข็งอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นภาสนาบารมีเคยทำอะไรยังไงจิตมันก็จะจํา ในสิ่งเหล่านี้ถ้าจะไม่หมดได้มันก็ยังจะจำ่างนี้จิตมันเคยทำมาแล้วเราเคยทำมาแล้วในอดีตชาติเมื่อกี้เป็นบารมีสะสมให้เกิดแก่ตัวเราเอง ก, กอ็ขออนุโมทนาขอเราทั้งหลายได้มีความสุขกับเจริญอยู่ทั้งโลกว่าเจริญแบบโลกอยู่ทั้งธรรมก็จะเจริญแบบธรรมให้เรามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเ ท, ท่า